ชั้นดวงดาวดวงเดือนที่ลอยอยู่ในห้วงอวกาศนั้นกว้างใหญ่ไพศานั้นคือรูปรูปประคันถ้าเช่นนั้นร่างกายนั้นเป็นส่วนหนึ่งของรูปขระคันเท่านั้นดังนั้นร่างกายแท้คือจักรวาลแห่งวัตถุทั้งหมดหมนนน่าตกใจเดียวที่จะบอกว่าร่างกายพระอาทิตย์เป็นร่างกายของเราด้วยแต่แล้วเป็นความรู้พื้นๆง่ายๆนะครับพระเจ้าท่านทร ง, งชี้ให้พระราหุลเรียนรู้ข้อที่จริงว่า ชีใ้ใดูน้ําในทะเลในหนองนะครับบอกว่าเช่นเดียวกับ น, น้ําที่มีในร่างกายของเธอไฟความร้อนก็เช่นเดียวกับความอุ่นในร่างกายของเธอดังนั้นท่านทรงชี้เห็นว่ามนุษย์กับจักรวาล น, นั้นไม่ได้เป็นสองแต่มีก้อท็จริงกันหนึ่งนะครับซึ่งนําไปสู่ความขัดแย้งในในความคิดเชิงวิเคราะห์ ในเชิงเหตุผลที่ว่ามนุษย์เราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินี่เป็นความรู้ที่เราได้มาจากโดนดกหรือโดยสามัญสำนึกเพราะว่าธรรมชาติมีอยู่ก่อนมนุษย์เกิดมนุษย์เกิดในกี่ล้านปีนี่ครับแล้วถ้าความรู้ผมไม่ทราดนะมนุษย์เกิดในยุคที่ดอกไม้ปรากฏในโลกนี้น่าแปลกน่าหาความสัมพันธ์ว่าทําไมนะมนุษย์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของธรรมชาติทั้งหมด แล้วทำไมมนุษย์จะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติทั้งหมดด้วยคือมันจะเป็นทั้งส่วนหนึ่งและเป็นทั้งหมดเนี่ยมันขัดแย้งมากๆในในความคิดเชิงวิเคราะห์แต่ถ้าเราวิเคราะห์ดูจากตัวอย่างจริงในธรรมชาติเช่นความสัมพันธ์ระหว่างน้ํากับน้ําแข็งเราโยนก้อนน้าแข็งในน้ําเราพูดได้ว่าน้ําแข็งเป็นส่วนหนึ่งของน้ําแต่ถ้าพูดได้ลึกกว่านั้นบอกน้ำแข็งกับน้ำเป็นอันเดียวกันก็ยังถูกอยู่ดีถูกไหมครับ ดัง น, นั้น่วงอวกาศอันกว้างใหญ่ไพศาลนี่เป็นันเดียวกับจิตซึ่งดับสนิทแล้วหรือเปล่าดังที่เราได้ยินคํา อ, อุปมาเปรียบเปียว่าจากคณาจารย์เซนว่าจิตแท้แท้ลึกแก่นใจนะฮะเช่นเดียวกับ่วงอวกาศอันไร้ขอบเขตคําที่น่าทึ่งน่ากระทบมากครับผมเองหลังจากถูกจุดประกายจากอาจารย์สวัยแล้วนะครับหนังสือเล่มถัดมาอันนี้เล่าเรื่องส่วนตัวแต่พื่เพื่อประกอบว่ามันมัน ตรงผลอย่างไรคำพูดของครูบาองโก้นี่กระทบมากๆครับที่จิตคือพุทธะเนี่ยกระทบผมมากๆเลยดะ น, นั้นพิเคราะห์จากยานวิทยาของพุทธศาสนาที่เรียกว่าขันห้าเราจะพบว่าฝ่ายมหายานได้พัฒนาความเข้าใจนี้ไปไกลจนกระทั่งประมวลสรุปว่าขัน 5, หน้าหรือหมายปรากฏการทั้งหมดทั้งรูกทั้งนามทั้งหมดทั้งสิ้นนี้เป็นเพียงภาพสะท้อน น่าตกใจไหมครับเช่นเดียวความรู้ทางพุทธศาสนาที่เราเดินอยู่ข้างถนนมีคนหนึ่งมาบอกว่าคุณรู้เปล่าตัวคุณไม่ใช่ตัวคุณเนี่ยเราจะตกตะลึงอะไรกันเราเพียรแสวงหาฐานะหลักฐานต่างๆมาตั้งกี่ปีคนหนึ่งดันตะลึงมาองบอกคุณไม่ใช่คุณเนี่ยน่าแปลกแต่เราเป็นอะไรกันแน่ครับคําตอบง่ายๆก็คือเราเป็นมนุษย์และทํามากกว่านั้นก็คือเราเป็นธรรมะตรงนี้ครับ ดังนั้นฐานะของมนุษย์เนี่ยสำคัญที่สุดแต่ไม่ได้สําคัญที่ว่ามนุษย์ยิ่งใหญ่หรือเปรดเริยเรามักได้ยิยนคำพูดที่ไม่มีการสอบสวนว่ามนุษย์เป็นสัตว์ปิดเผยใช่หรือเปล่าครับจริงมนุษย์เป็นเพียงตัวแปรครับที่สําคัญมนุษย์สามารถทําลายโลกนี้ให้เป็นขี้ฝุ่นหรือทําให้ทุกสิ่งอย่างเกิดหายันะเมื่อไรก็ได้ถ้าสานึกของมนุษย์ผิดเพี้ยนมาจากคันลองของความเป็นมนุษย์มากขึ้น ในสิ่โลกตัวหน อ, อความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้นั้นโดดเด่นนะครับว่าในมนุษย์คนหนึ่งๆเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นนายกอซึ่งเที่ยงแท้และถาวรฐานอังเขาเปลี่ยนแปลงอาจจะลดต่ำมาเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้ทั้งๆที่ร่างกายนี้ก็คือร่างกายของมนุษย์จริงโครงสร้างทางด้านวิศิ์หาได้อิสระไปจากแยกไปจากสัตว์เดรัจฉานเท่าไรไม่ ในทางบาลีห ร, หรือหลักคิดทางพุทธศาสนาถือว่าต่างกันตรงนี้ฝ่ายหนึ่งเรียกวเดรฉ า, านฝ่ายหนึ่งเรียกวมนุษย์แต่เป็นสัตว์เสมอ ก, กันที่เดรฉ า, านไม่ใช่คำด่านะแต่เดี๋นี้เราเอามาดา่าชันด่าเพื่อนไอสัตว์เดรฉ า, านเดี๋ยวได้ต่อยกันยุ่งไปหมดติดาฉานองแปลไปแขางขวางครับคือกระดูกสันหลังเขาไปทางเส้นขวงดังนั้นตกภายใต้อำนาจสัญชาติยานตลอดสัตว์ ด, ดํารงชีวิตได้ด้วยสัญชาติยาน แต่มนุษย์ได้พัฒนาจนกระทังกระดูกสันหลังตั้งตรงในยุคสมัยที่เราเรียกกันในทางวิชาการว่ามนุษย์โฮโมอีเล็กตุสมนุษย์ผู้ยืนได้สันหลังตรงซึ่งต่อแต่นั้นการสำรวจพินฐานที่กำเนิดก็ดีการดูทัศนวิสัยก็กว้างใหญ่ไพศาลผิดกับสัตว์ซึ่งไปขวางไปขวางๆเนี่ยเราเห็นสัตว์ทุกชนิดมีสัตว์เพศเดียวที่ยืนบนลำขาสองข้างและลำตัวตรง และในบรรดาสัตว์สองขาที่ยืนล้มตัวตรงนั้นมีพระพุทธเจ้าเป็นเลิศสุดมีคานี่เป็นคำยามเนยะเพราะเป็นสัตว์สองเท้าประเภทเดียวที่เฉลียวฉลาดและรู้แจ้งแต่ว่าคำว่าคนหรือสัตว์บุคคลตัว ต, วตวนนี้มักจะใช้แทนที่กันได้ภิก ษ, ษุสามเณรน้อยจะรับการคำสอนในยานวิทยานี้เป็นปฐมเลยพิจณาปัจจเวกวันหนึ่งไม่รู้กี่ตลก เนี่ละเวลากินเวลานุ่งเวลาหม่มเนอนอนว่าไม่ไม่ใช่ศัตว์ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่เขาสัก์แต่เป็นธาตุล้วนๆนี่ไงนี่คืความรู้ชั้นสูงสุดนะเปรียบเสมือนอาวุธที่ที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดแต่ว่าถ้าเราเอามาท่องด้วยปากเรื่อยๆไปมันก็หมดค่าไปได้เหมือนกันเหมือนมีคนล้อนะครับเราท่องเอาพุทธเข้าโทออกพุโทโธพุทธโทนานๆเข้าผลมันเท่ากับท่องว่า โคคาโคลาโคคาโคลาเหมือนกันเกิมันเริ Haw ่มเริ่มสูญสลายประสิทธิภาพของมันเพราะว่านั่นเป็นการท่องบนที่ปากหาได้สัมผัสไม่ไม่มีไม่ได้ใช้ระบบสัมผัสจริงๆสุดระบบวิปัตินาที่ทำให้เกิดปัญญาแจ่มแจ้งนะครับจนสิ้นคลางแคลงสงสัยก้อนนี้ต้องอนุญาตขีดส้นใต้นะครับว่าการแจ่มแจ้ง สิ้นคลางแคลงสงสัยนี่เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าถ้าไม่จแจ้งแจ้งไม่สิ้นสงสยัยเชื้อสาความไม่รู้ยังแฝงอยู่เส ม, มือนเรากำจัดแบคทีเรียเกลี้ยงไปแล้วแต่เหลือสองนําตัวพักเดียวเท้านั้ น, น, น, นมันแผ่ขยายคลุมใหม่หลายครั้งหลายหนนะครับที่ชีวิตจิตใจของเราได้สำแดงอนุภาพประสิทธิภาพของความอยู่เหนือข้อจากัด พราะว่านนั้นเราอาจจะถูกร้องเรียกกันว่าจิตประพัดสอนจิตที่เรืองแสงได้ น, ะนั้นภาวะของมนุษย์จริงๆในเนืมันเหมือนกับว่าเวลาเราเดินทางย้อนเข้าไปสู่ตัวชีวิตถ้าเราคิดไปข้างนอกเราก็มันสร้างโมเดลของชีวิตเช่นผมคิดถึงตัวเองครั้งหนึ่งเนี่ยผมเล่าเรื่องขำแต่ว่าคำนี่เจียนจะถูกทําลายร่างกาย เขาเชิญผมไปบรรยายทำผมก็บรญญายไปตามความรู้ความเข้าใจแต่มีนายคนหนึ่งเขาลองดีครับเขาค่อนข้างปลาดเลือก็บอกอาจารย์พูดดีมากแต่ผมถามแล้วก็แล้วทําไมยิงศึกเสียจากพระผมรู้สึกถูกลองดีแล้วผมก็บอกว่าไม่รู้ผมไม่เคยบวดคนที่บวดเรื่องคุณโควิดไม่เกี่ยอะไรกับผมเมื่อําต่อกันนาไปดูอีพิทางหนึ่ง จะดีหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมตัดสินใจไม่ได้แต่ว่าข้อที่จริงก็คือฐานของความรู้แจ้งนะครับต้องตั้งอยู่บนประมะวธรรมภาวะที่ก่อนหน้าที่มนุษย์จะใช้สมมุติบัญญัติเข้าไปชี้บ่งนะบผมจะทบทวนพุทธประวัติในตอนที่สำคัญมากตอนหนึ่งตามที่ผมรู้สึกและเข้าใจนะครับ ที่จริงพุทธวัตรนั้นสาคัญทุกตอนจนอาจารย์นุ่มโบราณซึ่งเป็นนักกวีนิพนธ์นะครันักกวีเนี่ยเขาจะแผ่ขยายจนกระกทั่งถึงบทที่อยู่ที่ชั้นดุสิตผมเรียกร้องอยาดังเกียดวรรณกรรมอันเลื่เหล่านี้นะฮะเช่นในละลิชวิสตระอะไรเนี่ยนะครับก็ตั้งต้นในชั้นดุสิตเลยครับถือว่าพระเจ้าสามารถตรัสรู้ได้ในชั้นดุสิตแต่ด้วยพระมหากรุณาที่โลกจะว่างเปล่าท่าลนทู รับคำอาราธนาที่มาตรัสรู้เยี่ยงมนุษย์สามัญเอาไปนั้นว่าผมจะเล่าถึงเหตุการณ์สำคัญซึ่งจะนำเข้ามาสู่บทวิเคราะห์ที่สำคัญคือช่วงที่ท่านตรัสรู้แล้วที่ใต้ต้นพระสีมหาโพจากความเพียรพยายามแล้วแล้วเล่าจนมาังถึงวินาทีสุดท้ายใต้อับศักดพฤกเนื้อที่จริงไม่ใช่ไม่ใช่ต้ น, ตนโพที่จริงเป็นต้นมะเดือ่อชนิดหนึ่ง แต่ต่อมาถูกร้องเรียกตามการรู้แจ้งภายในว่าโพธิแจมแจ้งนั้นเลยขนานชื่อต้นโพด้วยเป็นต้นไม้แห่งการรู้แจ้งเลยเรียกต้นโพโพธินะครับแต่คําถามที่ผมจะตั้งขึ้นอันนี้คือพระพุทธเจ้าทรงเห็นอะไรแล้วก่อนหน้านั้นสิ่งที่ท่านเห็นนั้นมันซ่อนอยู่ที่ไหนน่เพราะมีคนจำนวนมากเข้าใจพระพุทธเจ้าเป็นหัวหน้าสกุลปรัชญาสกุลใหม่คล้ายๆท่านคิดระบบ ปรัชญาขึ้นแล้วมาสอนอันนี้เป็นอันตรายมากครับซึ่งนำไปสู่การประมวลมาเป็นศาสนาอย่างชิ่นในอเมริกาเขาไม่เรียนศาสนาทนะนั้นนเรียนจะไม่มีการเรียนแต่ว่าศาสนาี่อยู่ในรูปของไม่รู้จะแปลอะไรศาสนาพลเรือน Civilian Religion ครับซิวิ l i ียนลนนุ่นหมายว่าไม่มีศาสดาผู้ตรัสรู้แต่นักวิชาการได้ประมวลความรู้จากนักโรศาศาสตร์นักจิตวิทยาของพลอยว้างของยุงบ้าง นักสังคมวิทยามารวบรวมแล้วก็ว่าเออนี่คือศาสนาของเราโดยไม่มีศาสดาพูดตรัสรู้อย่างสมบูรณ์ไอ้นี้ผมเชื่อว่าในอนาคตใกล้นี้ถ้าเราจับผิดจับฝาจับผิดฟ้าผิดตัวบ้านเมืองเราจะเล่นไม้นี้ออกมาทันทีคือตกลงว่าเพื่อสอดคล้องนโยบายของรัฐเราจะสอนศาสนานักเรียนอย่างไรโดยไม่ต้องเกี่ยวกับการศาสรูของพระเจ้าผมว่านี่คืออันตรายมาก แต่คำถามเขายังยืนยที่จุดเดิมคืว่าพระเจ้าทรงเห็นอะไรครับแล้วการเห็นท่านนั้นนำความเปลี่ยนแปลงใหญ่หลวงมาสู่ชีวิตใครคนหนึ่งจนอาจจะกล่าวได้ว่าชีวิตของเจ้าชายสิทธัตถะในรูปของนักบวชพนเนจรนั้นหักแหลกลงแล้วอีกคนหนึ่งอีกชีวิตหนึ่งปรากฏขึ้นเรียกชื่อว่าพระพุทธเจ้า นี่สำคัญมากครับตามความรู้สึกของผมเพราะว่าการปฏิบัติธรรมศาสนาิจทั้งหมดต้องมาถึงจุดหักแหลกแล้วชีวิตใหม่ลุกยืนขึ้นก่อนหน้านั้นนะฮะพระเจ้าคือเจ้าชายติถตาแม้จะได้ชื่อสักจมุนีแล้วก็ตามนตรงท่านเดินยืนเดินนั่งอยู่ด้วยความไม่รู้คือไม่รู้จริงถึงที่สุดคือยังไม่ได้ตรัสรู้แต่ท่านอาจจะสอนได้ในระดับแต่สอนทั้งๆไม่รู้นี่สอนได้เหมือนกัน คือสอนอาศัยคิดนึกหาเหตุหาผลเอาแต่ผมเชื่อว่าหลังจากการตรัสรู้สมบูรณ์แล้วนั้นท่านก็ยังเดินยืนนั่งนอนอยู่แต่ว่าสิ้นความคลางแคลงสงสัยในชีวิตในสรรพสิ่งทั้งปวงสายตาที่ทรงทอดเนตดูผู้คนเชื่อว่าปราศจากตัณหา ท่านคงไม่พูดจากเกี่ยวพาลาสีดึงดูดยวนใจคนเพียงเพื่อให้เลื่อมสายศรัทธาท่านท่านคงไม่ใช่นักล่าหัวสาวกท่านผมเชื่อท่านไม่ต้องการอะไรเลยจากโลกนี้อีกแล้วครับเพราะว่าความต้องการเป็นของเจ้าชายศิทธิ์ถารวมทั้งต้องการการตรัสรูพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ต้องการมันอีกแล้วเพราะว่าท่านตััสรูแล้วความข้อนี้เราลองพิเคราะห์ให้ชัดๆเลยครับอจะผมคิดว่าจะนําไปสู่จุดสําคัญ พูเจ้าเข้าไปสู่ภาวะที่เรียกกันในทุกวันนี้ว่าอวญากตะธรรมอัพยากริตภาษาฝรั่งก็คงน่าจะแปลว่า unspeakable นะ uns ครับสภาวะที่พูดไม่ออกบอกไม่ได้อยู่เนื้อสมมุติอยู่เนื้อบรรยัติเข้าสู่สภาวะซึ่งเป็นต้นต่อจริงๆของมันซึ่งยังไม่มีระยะทางการเวลาหรือดีหรือชั่วหรือถูกหรือผิดแต่พระคัมภีร์บอก ว, ว่าทรงเห็นปฏิจจส ม, มุปบาท เห็นว่าอาวิชชาเกิดสังขารสังขารวิญญาณไอ้นี้เป็นธรรมบัญญัติซึ่งเกิดภายหลังครับที่แรกลงเข้าถึงธรรมนิยามกฎตายตดวงธรรมชาติจนท่านอุทานว่าในที่ใดที่หนึ่งนะภายหลังว่าท่านจะเกิดมาก็ตามท่านไม่เกิดก็ตามสิ่งนี้เป็นอยู่อย่างนี้แล้วเด็ดขาดอยู่ไม่เกี่ยวมนุษย์มนุษย์จะมีหรือไม่มีพระเจ้าจะมีหรือไม่มีม ไ, มมไม่เกี่ยวนะแต่ว่า เมื่อคนคนหนึ่งไปแลเห็นเข้าในฐานะของมนุษย์ก็ร้องเรียกชื่อหน่องเลยเรียกว่าธรรมบัญญัติภาษาฝรั่งเรียก nomination นะครับเหมือนเด็กยังไม่มีชื่อต้องไปให้พระสงฆ์ตั้งชื่อให้จะได้เรียกกันถูกจะได้ร่วมรู้กันว่าเป็นสมมุติคือคือมีมติร่วมกันว่าเด็กคนนี้เรียกนายนายนายจอนนายจิมอะไรกัสุดแท้นนะฮะ<ไ> เ, เพื่อที่ให้คิดต่อกันได้ว่าเราจะเราจะสัมพันธ์กันอย่างไรเป็น สิ่งที่สมมุติขึ้นตอนนี้ผมได้เสนอสองสิ่งนะครับคือธรรมนิยามซึ่งอยู่เนื้อบัญญัติเนื้อภาษาเหนือการแจกแจงเหนื้อการประเมินค่ากับธรรมนิยามซึ่งเป็นการพยายามเป็นพัรมวิยามมัญฉชลยชลลาดแล้วเป็นพระมหากรุณาของพระเจ้าเหตุผลนะครับที่ว่าเป็นมหากรุณาเพราะว่าตัวธรรมนิยามนั้นสื่อโดยตรงไม่ได้แล้วจะล้มเหลวทันทีดังตัวอย่าง ท่านตัดสิรู้แล้วใหม่ๆนะฮะท่านจาริกไปกาสีเพื่อจะไปช่วยปัญจวัคีนะฮะซึ่งท้านฟงท่านได้ยินข่าวว่าหลบลี้หลังจากนายแนงท่านหลบลี้ไปอยู่ที่กาสีคือพาราณสีศูนย์กลางของหินเดือนนะฮะ ร, ระหว่างทางท่านเจออุปกาะชีวกชีวกคนนั้นเห็นสัญญาณอะไรบางอย่างก็เรื่อมสายเห็นอินเซียนผองสายเห็นความอะไรที่ที่เขาเห็นน่นะฮะแล้วเข้าไปใ่ถามว่า ท่านเป็นใครใครเป็นครูของท่านชอบใจทำว่าอะไรพระเจ้าท่านบอกท่านเป็นสพันญูรู้เองในที่สุดท่านบอกขอให้ทรงจําท่านว่าเป็นกุท ธ, ธะผลคือล้มเหลวครับการสอนครั้งแรกของพระเจ้าล้มเหลวเราต้องยอมรับนะผมไม่ได้ช่วงเจ้าผู้ดงเพราะจริงๆหลายครั้งท่านล้มเหลวเช่นสอนพระญาติคนสนิทเทวทัศน์สอนไม่ได้แต่ความล้มเหลวไม่ได้อยู่ที่ตัวท่าน มันอยู่ผู้ผู้รับรู้ผู้เรียนไม่พร้อมที่เรียนหรือจับผิดเรียนพลาดไปเหมือนกับยาที่ที่หมอให้นะก็บอกให้กินตามโดสแล้วกินผิดไปนะครับกินน้อยไม่ได้ผลกินเกินตายอุปการชีวก็ไม่เชื่อครับแล้วแถมท้าทายด้วยแลบลิ้นหลอกแล้วก็พูดแดกดันว่าเชิญเป็นไม่พอนะพ่ออย่งนั้น ทนี้ผมเองก็คิดเอานะครับว่าจากจุดนั้นเองที่พระเจ้าทรงเอใจครับว่าถ่ายทอดตัวประมัด ต, ตรงๆนี่มันเป็นไปไม่ได้เลยมันมีน้อยคนมากที่เข้าใจได้หลายคนเข้าใจได้นะภายหลังเนี่ยโดยพูดตรงๆและสั้นที่สุดอย่างพระพายะที่ทูลขอร้องให้สอนให้สั้นที่สุดโดยเอริบทึ่งแปลกคือจับข้อเท้าท่านไม่ให้เดิน ขะ น, นั้นท่านทรงบาดอยูน่นะฮะในตลาดพระเจ้าเลยเตือนให้ใหระวังว่าท่านจะพูดสั้นที่สุดแต่เป็นก่นซึ่งชาวพุทธทั่วโลกรู้จักกันดีนะพี่เจ้าเตือนให้ตั้งสีเราบอกว่าถ้าเชนั้นเมื่อใดตาเห็นรูปสักด์แต่เห็นเมื่อใดหูได้ยินเสียงสักแต่ได้ยินเมื่อใดจิตรู้อารมณ์ใดสักแต่รู้เมื่อ น, นั้นตัวเธอภาพลักษณ์ของของตัวเองจะไม่ปรากฏไม่ ว, ว่าที่นี่ในอดีต ป, ปัจจุบันนาก็จะไม่ปรากฏเลยคือจะไม่รีเฟล็กกันนี้ขึ้นมา ที่ตรงนั้นมันที่สุดทุกข์แล้วก็ภายะก็จัดรู้ขณะนั้นนะครับแต่แล้วก็เมื่อทูลขอบรรพชาก็ต้องไปหาบาทแล้ะถูงแม่วัวบ้ากิดตายซึ่งเป็นที่มางเรื่องการมณิทวารีเขาย่นย่ อ, อมาดังนั้นระหว่างธรรมนิยามกับทําบัญญตัตินี้เราต้องเข้าใจว่าเนี่ย พ, พระองค์บัญญัติธรรมะขึ้นสอนในฐานะเป็นอุปายะเป็นอุบาย เรียกว่าธรรมะทั้งหมดเนี่ยเป็นเพียงอุบายเท่านั้นเพื่อให้เข้าถึงอะไรบางสิ่งซึ่งเป็นธรรมนิยามนี่สำคัญมากนะฮะอุปมาเช่นเดียกัเรื่องเส้นลุงเส้นแหวงครับเส้นลุงเส้นแหวงไม่ได้มีอยู่จริงในโลกนี้ครับแต่เป็นเส้นสมมุติขึ้นมาแต่ว่าเป็นการสมมุติซึ่งซึ่งมีประโยชน์มหาศาเลเช่นเรือหลงพิษในทะเลาในทะเลเนี่ยาในช่วงสั้นสามารถช่วยชีวิตคนได้แต่สําหรับสมมุติ ธรรมบัญญัติในพุทธศาสนานั้นมากและจริงจังกว่านั้นครับคือบัญญัติขึ้นจากเขาเงื่อนของธรรมชาติเช่นรูปเวทนาสัญญาทาังขานมันมีเขาจริงๆไม่ใช่ไม่ใ ช, ไใ ช, ไใช่ไม่ใช่โมเมขึ้นไม่ใช่เมกบิลีฟขึ้นไม่ใช่อย่างนั้นนะครนั้นเป็นสิ่งีสําคัญมากที่เราต้องเข้าใจว่าสิ่งที่พระองค์ท่านบัญญัติขึ้นอยู่ในฐานะอุปายะปราศจากอุบายแล้วยากที่สัตว์จะไต่ออกจากหลุมมืดของอวิทยาครับ นี่ไม่ใช่คำของผ ม, มเป็นคำของอาจารย์รุ่นโบราณครับปราจากการสอนปราจากมหากรุณาของเจ้าที่พยายามแจกแจงสมมุติในฐ า, านะเป็นอุบายแล้วยากที่มนุษย์ผู้หนาไปด้วยอาลัยหนาไปด้วยกิเลนนะจะสลัดหลุดออกจากอาวิชชาเมื่อพรง์ท่านบัร ญ, ญับที่แล้วยังค้นหาเทคนิคให้ดูดูผลงานของพระงท่านนะ รุ่มลึกกว้างขวางตลอดประชนชีพนั้นเต็มไปด้วยงานสร้างสารรค์สามสิบปีที่แล้วเมื่อผมออกเป็นนักพรตถูกน้องเขยลูกลานด้วยคําพูดว่าพระพุทธเจ้ามีผลงานอะไรผมตกใจเมือเห็นคำพูดนี้เพราะว่าเราทําผลงานเพราะข้าราชการก็ดีครูบาอาจารย์มาแล้ไม่มีผลงานเีลยก็ถูกยื่นสองขาวเท่านั้นนะผมตอบไม่ได้ตอนนั้นงงไปเลยเขาถามว่าพระพเจ้ามีผลงานอะไรเี่ ถึงแต่วปสยบยอมอะไรเนงะี้ยแต่ผลงานของท่านมันไม่ได้อยู่ที่ที่ตาเนื้อเห็นครับมันเป็นการปลูกสมนึกจุงใจมวลชนนะมาหลายศตวรรษแล้วเพื่อเข้าถึงแก่นของสมนึกแก่นใจครับถ้าไม่เข้าถึงแก่นใจก็อยู่ที่ผิวเปลือกคืออยู่ที่ชั้นของความคิดเมื่ออยู่ที่ชั้นของความคิดอยู่ที่การงานเน็ตเวิร์กของสมอง ก็ติดข่ายสมมุติอยู่ดังที่เราได้ยินคําแนะนําสั้นๆว่าไม่ไหลไปในอนาคตไม่อาลัยในอดีตไม่พวงอ น, นาคตไม่ติดแม้ปัจจุบันคํานี้สําคัญนะโดยทั่วไปเมื่อเราพูดถึงคำสติความรู้ตัวจเจริญภาวนาเรามากักจะย้าเน้นในเรื่องปัจจุบันปัจจุบันที่จริงปัจจุบันก็ไม่ใช่ครับแต่ปัจจุบันเป็นฐานที่จะหลุดออกจากอดีตและอนาคตแต่ว่าไม่ได้หยุดอยู่ตรงนั้น ต้องทะลุทะลวงปัจจุบันไม่กีหนึ่งนี่ถ้อยํำซึ่งอาจจะเป็นรหัสจัดมากครับเป็นรหัสแต่ว่าเป็นรหัสซึ่งถูกประมวลมาจากความชี่ยวชาญชำนาญของผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องนิพนานเช่นคำพูดที่ว่าให้รู้แต่อย่าให้มันรู้อะไรเข้าฟังดูร้ายเหตุผลปรก d ์ x กผัน เพราะว่าถ้ามันรู้ตัวแล้วไปรู้อะไรเข้าจิตจะติดยึดสิ่งนั้นทันทีจิตวิญญาณจะมีที่เกิดทันทีครับพอมันรู้อะไรเข้ามันก็ติดเพราะว่ามันยังไม่ยังยังมีกิเลสตัณหาเป็นอย่างเหนียวอยู่พอเราพูดเรื่องความว่างพอรู้รู้ว่างติดว่างทันทีเลยครับหรือพูดเรื่องการปล่อยวางพอจิตกําหนดรู้การปล่อยวางติดการปล่อยวางทันทีตรงนี้เป็นปัญหาหนักที่สุดนะครับ จริงแล้วพุทธศาสนาไม่ได้เกี่ยวกับการยึดติดหรือการปล่อยวางครับว่าไปแล้วโดยหลักแล้วก็ถ้าเราได้ยินที่มาว่ามีการปล่อยวางนั้นเป็นที่สุดแล้วครับเป็นผลครับไม่ใช่เหตุการปล่อยวางไม่ยึดมั่นถึงมั่นนี่นำมาปฏิบัติไม่ได้ครับนั่นเป็นผลสุดท้ายครับในพระวิโดกในพระสูต จ, จะบอกว่าเธอนั้นเป็นอรหันต์ไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งทั้งปวงได้แล้วคือ คือถ้าเอาอั น, นี้มาปฏิบัติจะยุ่งใหญ่เลยครับเป็นการคว้าเอาอุดมคติสุดท้ายมาเป็นเหตุดังนั้นเลยที่เดินปล่อยวางทั้งวันทั้งคืนเดินทำอะไรก็ปล่อยวางแล้วในสุดก็ขนออกตรงข้ามเลยครับที่จริงเราเริ่มต้นด้วยสติโดยการฝึกปรือความรู้สึกตัวนะครับแต่ไม่ใช่รู้สึกตัวเพื่อเพื่อสแสวงหาประโยชน์เพิ่มเติมอัตถประโยชน์หรืออานาจ จิตหรือชื่อเสียงอะไรอีกเราต้องการศึกษาเพื่อเปิดเผยความจริงด้วยเครื่องมือวิเศษอันหนึ่งทึ่ติดตัวมันจะเกิดแล้วส่วนเครื่องมืออื่นที่มาจากผู้อื่นนะเป็นเครื่องช่วยครับผมมองว่าวินยัยวินัยสองนี่เป็นเครื่องประยุมเมื่อคราวที่เราเช่นเดียวกคราวที่เราโงนเงนตาลายนะเราต้องการเด็กทุกคนหนึ่งที่แข็งแรงเราจะได้กาะ หรือเมื่อเราต้องข้ามสะพานไม้ซึ่งทํา้วยไม้ไผ่ลําเดียวเนะี่ยเราสะพานนี้จะมีบทบาทสูงมากครับพวกเราส่วนเสลอกหยุดแล้วก็ไต่ไปที่ระเลอยงวินัยนั้นเป็นสิ่งนี้เราจะไต่เต้าไปเปรียบเหมือนรั้วจะคิดว่าไม่สําคัญนั้นไม่ได้ครับแต่มันมีประเด็นหนึ่งตรงที่ว่าถ้าใครไปขืนจับยึดรั้วไว้แล้วไม่ยอมเดินเอาแล้วเป็นอีกเรื่องแล้วครับเรียกว่าใช้กฎใช้หลักผิดเจตนาอรมณ์ของหลัก กลายเป็นยึดถือวินัยแล้วก็ไม่ยอมก้าวหน้าทางปัญญาพุทธศาสนานั้นเป็นที่รู้กันดีว่าเป็นศาสนาแห่งปัญญานะครับนั้นพระเจ้าทรงเตือนประสงค์ซึ่งมีเชื้อสาย ข, ของฮินดูหรือของพราหมณ์เก่าที่ค่อนข้างดูแคลนปัญญาผมเชื่อในประเทศเราก็มีลักษณะดูแคลนปัญญาเช่นพอเรายินใครพูดในอิงปัญญาว่าอ๋อ oh, ้นี่ดีจะพูดเรื่องปัญญาต้องปฏิบัติที่ก็ว่าอย่างนั้นเลยนะะบางทีพวกนักปฏิบัติเนี่ย ปิดยึดอะไรโดยไม่ดูแล้วปฏิบัติชา้าปฏิบัติเยันจะเป็นปีๆนั่งหลัหูหลับตาผมไม่ได้ว่าใครคนใดคนหนึ่งนะปัญญานี่สําคัญนะฮะปัญญาเป็นเครื่องสองเรารู้ว่าในที่มืดต่อให้เราหัวไปชนเขาแล้วนะเนี่ยแล้วไม่รู้ว่ามันคืออะไรเราก็สงสัยอยู่นั่นเองครับคลําถูกแล้วแต่ไม่รู้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้อยู่ดีดีก็ไม่รู้ว่าดีอย่างไรชั่วก็ไม่รู้ชั่วอย่างไรในสุดสมมุติก็ไม่รู้ว่ามันเขาสมมุติดเพื่ออะไร มีคุณค่าอย่างไรมันก็เลยเล่นเกมไม่ถูกเหมือนคนเดินในที่มืดแล้วชนข้าวของเ ห, หยียบนู่นเหยียบนี่ยุ่งไปหมดเลยแล้วยิ่งพยายามดิ้นเท่าไหร่ปฏิบัติมากเท่าไหร่ยิ่งหนักขึ้นเท่านั้นครับปัญญาไมนเหมือนแสงที่สองทางแน่ละปัญญานั้นที่มาจากข้างนอกก็เหมือนเราได้ยินุปมาบ่อยเหมือนเพื่อนบ้านเปิดไฟฟ้าแล้วบังเอิญหน้าต่างเขา เปิดบ้านเปิดแสงก็ลอดมาสู่บ้านเราบ้างเราอ่านหนังสือจากแสงบ้านเพื่อนบ้างเหมือนปัญญาที่มาจากครูบาจารย์เลยนะแต่วันไหนเจ้าของบ้านปีน้าต่างเราก็มืดดังนั้นการไว้เนื้อเชื่อใจคนอื่นจนต้องสยบไม่ใช่ลักษณะชาวพุทธระหว่างครูบาจารย์กับศิษย์นั้นสิ่งที่เจ้าวางไว้คือเป็นเพียงกั ล, ลยาณมิตรไม่ใช่แม้แต่คําว่าครูครับ ครูนี่เป็นคําที่ใช้กันกลางๆไม่อาจจะดใหเป็นพุทธได้วันสุดท้ายของปรชนชีพของพระเจ้าพระอนนท์ถามเรื่องนี้ครับใครจะเป็นปศาสดาแทนนะแล้วพระเจ้าอ้างถึงคําว่ากํามือของครูไม่มีในเราปกติระบบครุกุลในอินเดียนั้นะครุกุลคือลูกศิษย์ครูไปเป็นระ ก, กุลของครูครับจะเรียนอะไรต้องเป็นลูกครูนะฮะเราเรียกลูกครูพ่อครูกัน ทั้งครูทั้งเมียรครูใช้สักพ้าก็เอาเพื่อจะแลกเอาความรู้นะอาศัยความรักใกล้ชิดกัน น, นะนะเรียกระบบครูกุลแล้วก็ครูเขาจะขยักความรู้ไว้กําลาบสิทธิ์ครับคือจะสอนหมดเดี๋ยวมันกําเลิกเฝงสารไม่มีใครคุมอยู่เขาขยักถ้าเป็นครูมวยก็หมายความมีไม้เด็ดที่จะปราบไอหมอนี่หรือถ้าครูดาาา่าความหมายความอีกตอนหนึ่งที่จะจัดการนึงเขาจะไม่สอน แต่สำหรับผู้เจ้าท่านบอกว่าเธอจะหวังอะไรในเราอีกกํามือของครูไม่มีในเราท่านเปิดเผยหมดสิ้นนะดังนั้นมันบอกว่าความลับของท่านไม่มีไม่มีที่กุมอำนาจคนอื่นเพื่อประโยชน์ในการควบคุมบังคับบัญชาคนท่านไม่ต้องการอย่างนั้นและท่านปฏิเสธผู้นำทางศาสนาว่าไปแล้วนะครับมีปัญหายุ่งยากมากที่ชาวพุทธทั่วไปต้องทำความเข้าใจให้กระจ่างแจ้งไม่นั้นเราอาจจะไปทําลาย หรือทำลายสิ่งที่ถูกสร้างขันขึ้นใหม่เช่นระบบปกครองแบบสังราชนะ mm hmm. ถ้าเอาพระวจนะในช่วงชีวิตสุดท้ายเนี่ยจริงพระเจ้าบริเศสนะไม่ยอมมีผู้นำสงมาเป็นตัวแทนทำนองกาลิกหรือชีตหรือสันต ป, ปาปานะมีไม่ได้ครับในพุทธศาสนาถือเอาทำวินัยเป็นาศาสดาเลยะฉะนั้นการปกครองสงนั้นตามพระเจตนารม์ของท่าน ผมว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งนะแต่ปัจจุบันเราก็พอเห็นเขาความจําเป็นนะครับที่ต้องมีระบบสังคสภาหรือระบบสถาบันสงฆ์ขึ้นเราต้องยอมรับความจริงว่าประชากรยิ่งมากขึ้นศรัทธาก็เปลี่ยนแปลงจากคุณภาพไปสู่ปริมาณมากขึ้นด้วยดังนั้นเจอคนดื้อด้านเข้ายุ่งครับยุ่งนะันทั้งเมืองที่จริงเขาเริ่มต้นไว้ครึ่งหนึ่งในเรื่องของมาหากราบรหัสใงการเดินทาง วิทยาความรู้ซึ่งอยู่นอกขอบเขตของพุทธศาสนาแต่เราไม่อาจไปเสดจได้ว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นพูดจากประสบ ก, การณ์และหลักความจริงเช่นอิคารุสเทโยเทียนจะไปให้ถึงดวงอาทิตย์แห่งสัรธรรมในสุดยิ่งใกลสก้สัจจะสัจจะนั้นได้พิสูจน์ว่าไม่ใช่สัจจะของอัตตาในสุกุล่วงหล่นมาสู่ทะเลซึ่งเป็นใบหน้าของตัวเอง กลับเพียงกลับเข้าถึงใบหน้าเดิมแท้ของตัวเองหรือที่เซนเรียกว่าจิตเดิมแท้ทั้งนั้นโดยวิธีอธิบายง่ายๆผ่านทางประการนำหรือพีเรีมิตรหรือปรามราคติเช่นนี้นะฮะเป็นวิธีสื่อภูมิปัญญาครังโบราณก่อนหน้าที่กระบวนการเหตุผลจะเติบโตแต่ก็คือหลักการและแก่นเดิมครับ เมื่อมองชี่นี้แล้วเราจะพบว่าโลกครั้งอดีตไม่ได้ร้างไร้ภูมิปัญญาครับแต่ครั้งอดีตนั้นมีการเคลื่อนไหวในทางภูมิปัญญาอย่างลึกซึ้งและต่อเนื่องรวมทั้งการจาริกแสวงบุญเดี๋ยวนี้การเข้าวัดของเราไม่มีลักษณะการจาริกแสวงบุญนะฮะมันมันผมว่ามันเปลี่ยนแล้วมันค่อนข้างเพี้ยนด้วยที่ไปรวมตัวเพื่อทำธุรกิจดูประหลาดครับที่รวมตัวเอาพระดังๆองค์หนึ่งแล้วเบื้องหลังคือฐานธุรกิจ มันก็เพียนกันไม่ใหญ่เลยครับครั้งอดีตนะอย่างยวนชางก็ดีน่าพิเคราะห์ดูว่าจิตสานึกของคนธรรมดาสามัญผมไม่ชอบมองว่าใครเป็นยีเนี่ยหรือเป็นมหาตจั่นอะไรนะฮะคือคนธรรมดาที่พัฒนาตัวเองจนมีจิตใจห้าหานมีจใจที่รักเพื่อนมนุษย์ได้อย่างไม่น่าเชื่อแต่ก็คือคนธรรมดาครับอย่างพระเจ้านี่ก็คือคนธรรมดาฐานองท่านคือคนธรรมดาครับ เหตุที่อ้างกธรรมดาเพราะว่าท่านออกบวชแล้วท่านยังเล่าท่านกลูวผี